พระพุทธเจ้าของเราเป็นเชื้อสายกษัตริย์กรุงกบินละพัทคองราชถึงยี่สบปีเห็นโทษการเป็นอยู่พอมองเห็นอนาคตตัวเองจะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายอันนี้คือจุดใหญ่ที่พระพุทธเจ้าหรือสิท ธ, ธัตถะเสด็จออกไปบวชเห็นความแก่ความเก็บความตาย อันนี้ไม่พ้นทุกคนเกิดมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลาย อ, อยู่ที่นี่เหมือนกันนะะั่นแหละต่างคนก็ต่างร อ, อวีซ่าของใครของเราอยู่ว่างั้นถเถอะพวกเรารอวีซ่านะไม่รู้จะเดินทางไปต่างประเทศวันไหนไม่มีใครรับรู้วีซ่ามาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละเพราะนั้นทุกคนรอวีซ่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก่อท่าน จะถึงวีซ่าจะมาถึงท่านท่านจึงหาทางออกว่าจะทำยังไงจ ะ, จะไม่มาจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกไปแล้วไปเลยว่า ง, งั้นเถอะไม่กลับมาอีกว่า ง, งั้นเถอะขอทานจากชาวบ้านพอชาวบ้านเขาเห็นเ อ, อนักพจนักบวชสมัยนะั้นมีเยอะได้ เ, เป็นนักพจนักปวดเป็นลือีรีศีพลนุ่งผ้าพลุงพลังหนวดเขา่า เต็มไปหมดว่า ง, งั้นแต่เนี่ยแต่ศิทธทาเนี่ป่งผมแล้วก็ใส่ชุดย้อมฝาดผ้ากาสาวพัดก็ออกไปบินธบาตเหมือนกันเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเขาเห็นเขาก็บอกเออนี่นักพรตเขามาขอข้าวกินเว้ยใส่บาตรบริจาคทานจะได้เขาก่อนใส่ในบาตรของ นักพรตนักบวชนั้นเ้าก็ใส่บาทให้สิทธาห์ไม่รู้วหวานไม่ล้วข้าวไม่ล้อะไรใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปตักใส่ในบาทสิทธาห์ก็มองดูบาทเจ้าเออขนาดนี้พอฉันได้แล้วพอแล้วสําหรับเราคนเดียวสิทธาห์ก็เดินกลับพอกลับมาถึงทีอ่อันนั้นเป็นวันที่8ดแล้วนะทั้งที่หิวเต็มพนนะไม่ได้ทานอาหารมาเป็นวันที่8ดแล้ว ท่านมองอาหารอยู่ในบาทของพระองค์ไปเห็นสมัยก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสำรับกับข้าวก็เต็มไปด้วยของปรานีตไม่รู่วกีถ้วยไม่รู้วมีแต่ถ้วยมีแต่ช้อนกงินช้อนทองอาหารสำรับกับข้าวอุดมสมบูรณ์แต่มาบัดนี้อาหารรวมอยู่ในบาทาไม่รู้หวานไม่รู้คราวตักลงไปในบาท สิทธะมองเห็นแล้วที่แรกท่านจฉันไม่ลงเหมือนกันทานไม่ลงเหมือนกันเพราะว่าท่านเห็นอาหารอยู่ในบาทมันคละเคล้ากันไปหมดแต่ใ น, นท่านก็สอนพระองค์เองพระองค์บอกสิทธะสมัยก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเธอต้องอยู่แบบลายชาอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชใช้แล้วเธอเป็นผู้ขอ การขอคนอื่นเขาให้อย่างไรเขาไม่กินอย่างไรเขาใช้อย่างไรเขากินอย่างไรเขาก็ต้องให้อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเขาให้มาเราก็ต้องกินอย่างที่เขาให้เราจะไปเรียกร้องได้เหรือพอเราไม่มีพราะเรามาด้ซื้อได้หาเขาให้อย่างไรเราก็ต้องทานอย่างนั้นเราต้องกินอย่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็ตัดสินใจเขาให้อย่างนี้เราก็ต้องทานอย่างนี้วันแรกท่านพระองค์ก็คงจะหลับหูหลับตา ชันไปอย่างนั้นว่างั้นเถอะอ่พราะชันอิม่มอ่าแล้วจะจบก็เป็นมีกําลังต่อร่างกายเนีย่ยวันที่สองไปบิณฑบาตก็ง่ายขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะเข้ามาบวชนี้เราจะไปต้องการว่าข้าพเจ้าต้องการอาหารอย่างน้น อ, อย่างนี้อาหารตามสั่งไม่ได้เขาให้มาอย่างไงวันไหนดีก็ได้ดีแต่วันไหนอาหารไม่ดีก็ไม่ดี พอฉันยังชีพให้ได้ประพฤติปฏิบัติพรมจันท์อันนี้คือ ช, ชีวิตของนักบวชนะโบราณท่านยังเปรียบเทียบว่าลาบลาบพระอาหารเสือลาบพระอาหารเสือลาบพระอติเลกัลาบของพระนี่บางวันก็รวยอย่างนี้วันนี้รวยนะหลวงพ่อรวยแล้ววันนี้รับไม่วัดไม่ไหวแล้ววันนี้เอแต่วันต่อไปเนี่ยไม่แน่เนีมันขึ้นเหมือนกับฟ้าแลบเพราะงั้นแต่แลบขึ้นแลบลง เออถ้ามันไม่แลบมันก็มืดว่างนั้นถ้ามันแลบมันก็สว่างอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอาหารวันไหนมากมันก็มากอาหารน้อยก็น้อยเหมือนกันน้ําขึ้นน้ําลงนั่นแหละเออแม่น้ำโขงน้ำมันขึ้นเออเราก็ว่ามันน้ำโคงโอ้น้ําขงเยอะจริงๆหน่อเออเวลาไปดูเดี๋ยวนี้สิเอ้าทําไมน้ำโคงมันยังน้อยนักอ่ะเอออติเลกราบก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีขึ้นมีลงอย่างนั้นเพราะนั้นราบยศสรรเสริญสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านม่ให้ติดทั้งสองข้าง อย่ายินดีในสวนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในสวนที่ไม่ปราถนาอันนี้คืออเตเลกราบมันเป็นโมยู่อย่างนี้เพราะฉนั้นชีวิตนักบวชยิ่งกว่านั้นไปอีกเสือทําไมจึงว่าอาหารเสือเสือมันได้บัวได้ควายได้หมูเได้สัตว์ในป่ามันได้ทั้งตัวแต่วันไหนมันไม่ได้มันมันไม่มีกินได้บาตรหรือมันหาเท่าไหร่ก็มันไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะหาที่ไหนอมันไม่มีตลาดซื้อเหมือนคนเรานะอมันก็ร้องควนค้างหาอาหาร อยู่ตลอดแต่พอมันได้ก็ได้ตัวบักใหญ่ต้างกินจนไม่หวัดไม่ไหวงั้นเ น, นี่ยเนี่ยแต่เปรียบเทียบ<ๆ>ว่าลาบราบพระอติเลก็ลาบพระอาหารเสือมันเปรียบเทียบคล้ายๆกันในวันนี้ก็พวกเราจะได้บวชพิธีการต่อไปนี้นะพิธีการที่พวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี้อันดับแรกพระสงฆ์ก็นั่งพร้อมแล้วต่อไปพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พร พวกเราอนุโมทนาให้พรพวกท่านผู้ใดจะอุทิศส่วนกุศลต่อญาติพี่น้องเปตายาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะวันนี้พราะว่าเป็นวันสําคัญที่พวกเรามาบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งที่พวกเราได้ฝากฝังเรืองเป็นทายาทของพระพุทธศาสนา่แตดังนั้นเมื่อประสงค์อนุโมทนาให้พรพวกเรากวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศล เ, เมื่อพระสงค์ชันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพระสงค์ลงมือชั้นอาหารพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมก็เลี้ยงอาหารกันตามมัธยายาใสน ะ, ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของนากรีบเรีย บ, บทานสักหน่อยก็ดเีเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะให้พระหรือวานาคที่ยังไม่โป่งผมนะนาคลูกหลานของผู้ใดก็ตามที่ยังไม่โป่งผม ก็จะไปจัดในสถานที่หลังศาลาของหลวงพ่อนี่แหละไปเตรียมปงผมพวกญาติผู้ใหญ่ของนาคพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของนาคก็ไปตัดผมตัดผมของนาคนะเพื่อเป็นพิธีจากนั้นเพื่อเมื่อญาติปงผมตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องรีบสักหน่อยนะเพื่อมาให้เสียเวลาไม่ใช่ว่าคอยกันแล้วคอยกันอีก คนหนึ่งยังกินกว๋วยเตี๋ยวคนยังจังกินข้าวอยู่เหมคนหนึ่งก็จะปองผมอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อจังหวัดรีบน้อยเอมื่อทานอาหารเขารีบพร้อมกันทานตอนเช้าเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัดผมหนักนะปองผมหนักเป็นพิธีจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จะได้ปองผมให้เรียบร้อยเมื่อปองผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็จะมากรอกใบสมัครใบสมัคร มันมีใบสมัครอยู่แล้วนะสมัครบวชทุกวันนี้มีมีใบสมัครบวช ด, ด้วยนะแล้วก็มีมีักยีพยานด้วยรับรองวันนากนี้ถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้ารับผิดชอบนะต้องมีผลรับผิดชอบด้วยในใบกรอกนั้นจากนั้นนาคก็ใส่ชุดสีขาวใส่ชุดตาพระขาวขึ้นมาบนศาล า, าเมื่อม า, น า, าวนศาลาญาติพี่น้องก็ขึ้นมาพร้อมกันแล้วแต่จัดบริหาร จากนั้นก็พระสงฆ์ก็ขึ้นมานั่งหัตถบาทพร้อมกันจากนั้นญาติพี่น้องก็นั่งตรงหน้าของนั่งถวายอัฐบริขารจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีบวชถ้าจะบวชได้หลวงพ่อกกล่าวว่าประมาณสัก9ก0าโมงครึ่งถึง10โมงนะวันนี้นะคิดว่าจะเริ่มทำพิธีได้ แต่ว่าอุปชามาจากจังหวัดอุดรท่านเจ้าคุณราษเจ้าคณะจังหวัดนิมนต์ท่านมานั่งอุปชาในวันนี้เพราะอุปชาในถิ่นของเราเจ้าคณะอำเภอนายูงเนี่ยท่านไปอินเดียท่านไปอินเดียท่านไม่กลับมาก็เลยนิมนต์ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณราษมานิมนต์แต่ท่านก็ชันเพลินะแต่ท่านฝ่ายปริยัตท่านฉันเพลิบางทีท่านอาจจะฉันเพลิจะคงจะเสียเวลาในช่วงนั้นน้อยนึง ญาติพี่น้องญาติาโยมทั้งหลายจะทานอาหารเที่ยงอีกก็ได้ในช่วงนั้นจากนั้นก็ขึ้นมาบวชบวชหลวงพ่อว่าบ่ายสองโมงน่าจะเสร็จทุกอย่างนะอุปสมบทของเรา14องค์นะักศึกษามาจากกรุงเทพ13ของหลวงพ่ออยู่ที่วัดนี่องค์รวมแล้วเป็น14เพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้บวชพระไว้ในพรรษาไว เป็นญายาทของพระพุทธศาสนานี่สิองค์ว่ากันนะสิบสีโรคนะนี่แหละก็คงจะเสร็จพิธีจากนั้นก็ญาติพี่น้องผู้ใดอยากจะไปส่งนาคจะไปส่งพระใหม่ที่กุฏิของท่านหรือว่าได้ดูไว้แล้วยังก็ยังไม่รู้นะอันนี้แต่หลวงพ่อก็ได้บอกไว้แล้วว่าพระองค์ไหนพระใหม่จะอยู่องค์ไหนจะไปอยู่ที่ใดให้ให้พระเก่าไปดูให้ด้วยกะคงจะได้ยินว่าไปดูแล เมื่อวานนี้แต่ว่าจะไปดูครบทุกองหรือเปล่าหลวงพ่อยังไม่รู้แต่ว่าญาติพี่น้องปู่ญาติตายายองศาคณาญาติจะไปส่งพระใหม่ถึงกุฏิก็ได้ไปดูที่พักของพระแต่ถึงยังไงก็ตามนะยุคนี้เป็นยุคไฮเทคหลวงพ่อขอเตือนไว้ก่อนสําหรับพระใหม่นะอันนี้สําหรับเตือนสําหรับพระใหม่ผู้ที่จะบวชนะหรือนาคใหม่พระใหม่ที่จะบวชนี่นะ ขณะที่เมื่อบวชแล้วหลวงพ่อไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือสําหรับพระใหม่ให้งดไว้ก่อนแต่ว่ามีความจําเป็นหลวงพ่อมีที่ให้โทรออบอกไว้ให้เนี่ยมีพระองค์หนึ่งมีอาจารย์องค์หนึ่งมีท่านอาจารย์อาจารย์รัตนะเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเรื่องโทรศัพท์ถ้าว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยมีความจําเป็นก็มาโทร เ, เมื่อไม่เก็บใข้ได้ป่วยไม่ให้ใช้เพราะว่าโทรศัพท์มือถื อ, อ, อมันเกิดประโยชน์แต่มันก็เกิดโทษสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่จิตใจว้าเวีอ้างวางอยู่แล้วมีแต่โทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนทั้งที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติทำมานั่งภาวนาปฏิบัติมีแต่เรื่องอารมณ์สัญญาเข้ามาสู่จิตใจไม่เกิดประโยชน์ถึงบวชมาร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะมันส่งจิตออกไปข้างนอกเพราะนั้นหลวงพอ่อให้งดใช้โทรศัพท์ถ้าว่าผู้ใดมีก็ให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เอากลับไปก่อนหรือว่าเอามามอบให้แก่พระผู้ดูแลไว้ก่อน เ, อเมื่อลาสิกขาไปแล้วยังคอยว่ากันเรามาีโอกาสที่จะใช้อยู่แล้วเป็นเวลายี่สิกว่าวันเนี่ยควรจะงดหลวงพ่อว่านะาไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะมันเป็นโทษแกเกี่ยวกับวินัยด้วยอ เพระพระบวชใหม่ ย, ยังไม่รู้วินยัยเอาเป็นวินัยหนักด้วยนะรองจากโทษประหารมางั้นเถอะเอ่อภิกษุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังฆาทิเศสนะภิกษุมีความกําหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบนเือตนด้วยกามต้องสังฆาทิเศตภิกษุสักชื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาทิเศตมันสื่อก็คืออะไรคือโทรศัพท์หมดตัวนี้แหละหรือว่าจดหมายหรือคําพูดนะ แต่เพราะนั้นหลวงพ่อที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าขัดคัดค้านไฮเทคของประเทศชาติของโลกเขานะไม่ใช่ว่าขวางลำแต่บางเสียงบางอย่างถ้าหากว่ารู้แล้วศึกษาดีแล้ว อ, อ, อันนั้นใช้ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้เนี่ยเอาไปใช้เลยเหมือนกับเด็กนะ น, นะ เ, เด็กใช้มีดทำไปไงถ้าไม่รอบคอบกับบาดแข่งบาดขาตัดตีนตัดมือได้เพราะมันมยังไม่รอบคอบถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่ว่ากัน นะอันนี้ก็อยากจะเตือนพระใหม่ผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ของพระไม่ต้องห่วงมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโรงพยาบาลก็อยู่มุมวัดเนี่ยห่างไกลกันหน่อยหนึ่งโรงพยาบาลอำเภอนายุงวันนี้ก็เนี่ยท่านนายอำเภอก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านผู้กํากับก็มานั่งอยู่ที่นี่นี่รงทานก็คุณนายผู้กํากับนะท่านผู้กํากับเป็นผู้มาเลี้ยงญาติพี่น้อง ใครคขามาสักขีพย า, ยานพร้อมอยู่นี้อยู่แล้วนะหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนายูงพร้อมอยู่นี่นะเพราะนั้นพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ต้องห่วงว่าพระลูกพระหลานของเราเจะตุ ก, กตำลำบากหรือว่าไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ต้องคิดนะไม่ต้องห่วงนะธรรมดาการไปมาจะให้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้ พอเราเข้ามาบวชเรามาเสียสละมาฝึกหัดดัดนิสัยถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่สุขสบายแล้วก็นู่นไปอยู่โรงแรมห้าดาวน ะ, ะสบายๆอันนี้เรามาฝึกหัดดัดนิสัยลูกหลานของเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องใช้ความอดทนอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากทําไม่ทําอยากนอนไม่นอนเอมันจึงจะเป็นพระได้เด้ ถ้าหาว่าทําอะไรตามมัธย า, ายัยตามใจตัวเองชอบเป็นพระไม่ได้นะฟังเอาไว้นะผู้ที่จะเป็นพระได้ต้องฝืนตัวเองอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากนอนไม่นอนนะอยังจึงจะเป็นพระได้ถ้าว่าทาําตามอําเภอใจทําตามมัทธาใจตามตามที่ตรงเองต้องการนะเป็นพระไม่ได้พระเนี่ยเป็นผู้อดทนเป็นผู้ฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นะนะ ญาติโยมพ่อแม่ของหนกักไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงลูกห่วงหวงลานแต่ก็อดไม่ได้แล้วละเรื่องห่วงนะแต่หลวงพ่อก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละเพราะเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อเหมือนกันนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็โรงพยาบาลก็มีอยู่นี้อยู่แล้วทั้งหมอทั้งพยาบาลท่านก็มาวัดอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาแ ก, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คงจ ะ, ะระดับนึ่ง แต่ถึงยังไงก็ตามนะ่ะหลวงพ่อว่าเนีเอยถึงจะอยู่กับหมอถึงคามก็ตายได้เหมือนกันนะผลงพ่อว่านะอแต่หมอแท้ๆก็ยังตายอาจะไม่ให้ตายคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสมควรไหมแต่นั้นเองนะอรักษาสุดความสามารถแล้วก็ <c oughs> กว่าอะไรไม่เป็นอะไรสุดนั้นนะ่ะอหลวงพ่อพูดก อ, อกก อ, อกกิ น, นี่ถึงเหมือนกันหนะ <c oughs> ลวงพ่อก็คิดไม่คิดว่าจะอยู่ถึงร้อยปีนะไม่วันใดก็วันหนึ่งรอวีซ่ายองอย่างที่ว่านนะั้นน่ะ กำลังรอวีซ่าอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่า ว, ว, วีซ่ามาเมื่อไหร่ก็คงจะได้ไปเมื่อนั้นแราะพอนั้นพวกเรากอดวีซ่ามาถึงควรจะสร้างบุญสร้างกุศลควรจะหาทุนใส่กระเป๋าตัวเองไว้ให้มากนะ เ, เมื่อวีซ่ามาถึงแล้วกระเป๋าแห้งนะเดินไปที่ไหนก็หน้าแห้งหมดละ่ะคนไม่มีบุญนะเหมือนกับคนไม่มีเงินนั่นแหละถ้าคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแกมใส สบายอกสบายใจทั้งนั้นแหละไปประเทศนอกประเทศนานโลกไหนก็สะดวกสบายเพราะมีเงินไปนะอันนี้คนมีบุญไปกัลักษณะเหมือนกันเพราะนั้นบุญคนมีบุญเนี่ยยิ่งกว่าคนมีเงินคนมีเงินแล้วยังไปทําบุญยังเอาบุญอี ก, กว่างั้นเด็กคนมีบุญแล้วพอหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีบุญแล้วพอหมดทุกอย่างพระหรันสาวกท่านมีบุญแล้วท่านพอหมดทุกอย่าง เพราะนั้นพวกเรามาทำมาวันนี้ก็มาเพื่อสา ะ, ะแสวงหาบุญนะเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรานะหลวงพ่อได้พูดพอเป็นแนวแถวให้พวกเราได้ฟังนะได้ศึกษาทำไมพระป่าอาจารย์อยู่ในป่าเนี่ยพูดอย่างนี้วะให้ได้นำไปคิดไปพิจารณานะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรแล้วท่นี่เมื่อให้พรเสร็จแล้วก็ ทานอาหารตามอัตยาศัยจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีป่งผมแล้วก็บวชอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเบื้องตน้นเอาต่อ น, นี้ไปรับพรแล้วก็อุทิศสวนกุศลขณะที่รับพรหลวงพ่อวิยะถาวาลีวหะพวกเราจะลินน้ำก็ได้นะจากนั้นพระสงฆ์องค์ต่อไปว่าซับพีแปลว่าเราก็ป น, นมือจำมาง่ง่ายก็ว่ายะถาให้ผี สับผีให้คนนะจำไว้ให้ดีนะ อ, อยาถาให้ผีสับผีให้คนนะคือบราพอสับผีเราก็ปนมือ อ, อยะถาเราก็ขวดนะ้ำหมดที่สวนกุศลนะยาาถาวา